ความไม่เคารพหกในหัวข้อเหล่านั้นความไม่เคารพหกเป็นไนคือ 1. ความไม่เคารพในพระพุทธเจ้า 2. ความไม่เคารพในพระธรรม 3. ความไม่เคารพในพระสงฆ์ 4. ความไม่เคารพในศิกขา 5. ความไม่เคารพในอัปปมาทธรรม 6. ความไม่เคารพในปฏิสันฐานนี้คือความไม่เคารพหกประการ